ขอกราบสวีตถ้าผู้ฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบจุนท่านครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิปจุนจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้ในการสนับนุนวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบจุนเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ทน า, ายการกาพัฒนาประเทศพุทธคุณพระเทศดีหลก วันบอรวันนี้พิพิหารไปมการตอบปัญหาครับหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315ขณะนี้กําลังรอรับทุกสายประสบถามปัญหาธรรมะเข้ามานะครับมีสายแรกมารออยู่แล้วนะครับสวัสดีครับแฟนรายการครับครับสอบถามได้เลยครับสํบถามปัญหาครับครับผมอาจารย์ในการครับผมปกรณ์คุณครับเฮยเอ่อไม่เข้าใจตรงนี้ครับอาจารยนการครับเอ่อพระพุทธเจ้า ที่เจอสายกลางแล้วทิ้งทั้ตึงหวัวหรือเปล่าครับข้อหนึ่งข้อสองอย่าทราบว่ามหาพุตธลูกแปลว่าอะไรครับขอฟังหน่อยดีกว่าครับ <c oughs> ครับขอบคุณมากครับเจอสายกลางเออ <c oughs> คือคือสายสา ย, สายทั้งตึงทั้งหย่อนเนี่ยนะทั้งตึงทั้งหย่อนมันก็ต้องจริงแหละเพราะว่าเรื่องทั้งหมดมันตั้งข้าสู่สายกลาง ยกเปรีบยบม า, าเมตตาเนี่ยถ้าตึงเกินไปมันจะเป็นอคติครั บ, รบถ้าย่อนเกินไปเป็นราคะครับแล้นก็อยู่ตรงกลางธรรมะมันต้องมาอยู่ตรงกลางทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็มหาภูตารูปก็คือดินน้ำลงไฟนะฮะธาตุธาตุสีอ่ะมหาภูตารูปก็คือธาตุสีดินน้ำลงไฟก็มารวมกันเป็นร่างกายมนุษย์อ่ะส่วนต่างๆก็ย่อยย่อยออกไปเป็นรูปยี่สิบแปดเวลาละเอียดครับ ครับคุณท่านจคุกาับสายที่2องมารออยู่ครับสวัสดีครับแฟนรการครับสวัสดีครับก่อนจะถามปามัญหามีปัญหาปัญหาเดียวนะฮะครับผมหมาว่าผมกลาจกลาเรียนมิธการเกี่ยวกับท่านเจ้าคุณนะฮะที่ทัานฟาร์อรู่บ่อยว่ามีพระอาจารย์บางรูปไม่ได้อ้างคาพูดของพระพุทเจ้าหรือคาสอนพุทธิยามานะฮะคลาสกับสร้างความคิดว่าท่านเป็นคนพูดเองซึ่งอันนี้ผมขอกลาบเรียนในพิธการในท่านทราบว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นพระเนี่ยนะพระพูดเนี่ยเราก็เชื่อว่าท่านเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านะกรับ แม่เราสอนลูกเราไม่บอกวู่นน่พูดอย่างนี้นะหรือครูบาอาจารย์มาสอนเราครูอาจารย์บอกอาจารย์จะสอนมาอย่างนี้เข้าใจกันโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมผมผมทำความเข้าใจกลัวว่าท่านจะจะวิโตไปนะเข้าใจว่าเป็นเป็นรืน่องพระุทธเจ้าทางนั้นสัพเพาหลวงพระพุทธเจ้าครับอย่างอื่นไม่ใช่ขอข้อสองก็ขอคําถามเลยครับคำ ถ, ถามนะคะับผมถามก็คือว่าบางศาสนาเนี่นะเขามีว่าคนที่ประทุษร้ายต่อศ า, า, าสนาเราไล่ศาสนาเนี่ยเขาก็มีการตาปแช่งศาสนาพุทธมีไหมครับว่าเราจะทำพิธีทําให้คนนั้นวิบัติไปเลยมีไหมครับ คือาา ข, อขอณะครับคุณบานครับค่ะผมเ อ, อ่อคือคือโยงพูดนะมันได้ในขณะพูดเนี่ยมันได้ใช่ไหมแต่ว่าพอออกเป็นเอกสารเนี่ยลูกศิษย์จะนําไปอ้างว่าพะของอาจารย์โดยเองครับ นะเช่นเช่นเนี้ยงานหลวงพ่อพุทธธาตุเขาเพราีเนี่ยนะก็อ้างท่านพุทธธาตุว่าอย่า ง, งานั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่หลงฟังแล้วมันมีพระพุทธภาษิตแนั้นเลยใช่ครับแล้วบางทีก็ก็แปลมาเลยแล้วก็บอกท่านพุทธธาตุว่านี่มันจะเสียหายตอนเป็นเอกสาราตอนฟังมันไม่แปลกหลอกใช่แล้วก็นานข้าวน้นข้าวพระทูตไทก็อ้างเฉพาะ อ, อาจารย์ตัวเอง เป็นปัญหาที่พระเจ้าเองก็ห่วงแล้วหลวงพ่อพุทธทาสเองก็พูดไปเยอะมากแล้วเจ้าคุณธรรมมีดกเจ้าคุณพรมคุณาภรณ์ไอ้เจ้าคุณพรมคุณาภรณ์ก็พูดไปเยอะครับเราเป็นห่วงครับอามาบอกว่าอย่าอ้างไงมานะที่อามาพูดนี่ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละครับแต่เรา ก, เราก็เราก็ดึงมาเราก็บอกต้องบอกครับรือว่าตอนโยงฟังเนี่ยไม่แปลกหรอกใช่รับ ว่าพระเทศก็ใช่ก็เทศธรรมะของพระทเจ้าแต่ตอนพิรันลักะสอนละตอนถึงช่วงลูกศิษย์ระดมไงพี่พีใช่ครับอ่านฝันอะไรต่อไปนะการสาดแช่งมีไหยครับอวิธีพุทธไม่มีเหรอฮะครับคือเราถือว่าเป็นเรื่องสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมเขาวครับก็ปล่อยเขาไปนะแต่ว่าถ้าในหมู่พระมันมีวิธีอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าประภายจนิกรรมหรือบางทีก็อาจจะตําหนิโทษเพื่อให้ท่านเกิดสํานึกหลาบจําครับแต่ว่าไม่ใช่สาดแช่ง นะฮะคือว่าตำหนิโทษลงโทษอะไรแต่ใดก็แล้วแต่มันมีวิธีการนะประกรรต่างๆถอดยศบ้างอลดตําแหน่งบ้างอะไรแต่ใดต่างๆครับองค์จงหมู่บ้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงหน้าที่อะไรต่างๆก็ก็มีเยอะะกรรมการต่างๆแต่ว่าไม่ใช่สาดแช่งครับเราเราเราถึงจุดเดียวที่ก็ต้องเป็นไปตามกรรมข่าวเกี่ยวกาบการสาดแช่งอย่าลืมเราทําด้วยโทสะเราทําด้วยปีงสามันเป็นการเพิ่มบาปแก่ตัวเองครับ แล้วก็เขาเองก็ถูกซ้ำเติมเพราะเขาเขาผิดเนี่ยก็คือคือเขาก็มีทุกข์เยอะแล้วเราไปซ้าเติมไว้ทำไมครับมันไม่ใช่วิธีการ น, นนะครับขอบคุณครับท่านจุกุญแจกับสายที่สามรออยู่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือ<ะ>สอบถามได้เลยครับอ๋อคืออยากทราบว่า อริยสัตตีเนี่ยมันคืออะไรคะคนหนึ่งนะค ะ, ะโหโหแล้วก็ไม่ทราบว่ารักษาศีลอ่างไถึงจะได้สัมมาทิฏฐิคะรักษาศีลให้ได้ส ม, มาัยขอบคุณมากครับอริยะสัตตีเอ่ออริยสัตตีก็คือทุกก็คือความ เกิดความแก่วความตายทุกใหญ่ๆความโศกความรับใยรำพันต่า ง, างๆนี่ก็ทุกประจําวันของเราอ่<ส>ะแล้วก็สมุทัยก็คือกิเลสทั้งหลายนะพูดง่ายว่าความโรคความโกรธความห ล, ล, ลงอ่<ส>ะเป็นเหตุเกิดของทุกโยมลองนึกดูว่าวันใดที่เราถูกกิเลส บ, บงการเนี่ยเรามีปัญหาทุกเพียะนะเวนี้ก็กำลังโลโลภะในอะไรชนะบอกนะกำลังบงการอยู่ก็มีทุกแลก้วก็อันนิโรธนั่นคือความไม่ไม่มีทุกข์ระดับทุกไปนะแต่ว่า แต่ส่วนหนึ่งเราก็สัมผัสได้เบาๆชาวบ้านทัไปก็สัมผัสได้อ่อนๆก็เรียกว่านิพพานดิบแต่ว่ามรค ก, ก็คือข้อปฏิบัตินศีิณสมาธิปัญญานี่ยคือมรคกกนนะครับมันเป็นกล่าวโดยสรุปทีนี้ถ้าโยมรักษาศีลเนี่ยมาถ้าโยมรักษาศีลได้โยมก็เป็นสมาธิที่แล้วนะถ้ารักษาศีลจริงๆโดยเฉพาะอย่า ง, งยิ่งคือศีลห้าเนี่ยครับวันก่อนฟังอะไรดอกเตอร์ก็สัมภาษณ์เด็กอ้างพระพระราชดำรัสสี่ข้อเนี่ยฮะพระรชาชวจีสีประการเนี่ย แต่ที่จริงก็เป็นสารานิยธรรมคือเราเตนั่นน่าจะบอกด้วยนะฮะมันจะเพิ่มน้ำหนักว่านี่ยเป็นพระพุทธํารับัตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ออามายกย่องชื่นชมเหมือนกับคราวที่พระบรมราชวาสสีข้อเนี่ยก็คือคารวะสธรรมแต่วิธีอธิบายเนี่ยทรงอธิบายเข้าใจง่ายอธิบายเหมือนคนอยู่ภาคสนามอะแล้วก็ไม่ได้บอกไม่ต้องไปสื่อสารเป็นภาษาบาลีอะไร แต่ด้จริงแล้วก็คือธรรมะนะคธรรมะเพราะงั้นถ้ารักษาศีลมันก็สัมปชัญญะมาที่ถิดอยู่แล้วนะนอกจากว่ารักษาแบบงงงายไปไม่รู้ว่ารักษาทมอะไ ร, ร, รอย่างมีคราวหนึ่งเคยถามญาติโยมรักษาศีลโบสถ์ปรากฏว่าไม่รู้เรื่องเลย แต่แกก็รักษากระแต่งชุดขาวก็อยู่วัดนั่งนอนอยู่ในวัดอะไรแต่ะะไหนท่านถามไม่ยมศีนเนี่ยข้อปานาในมีองค์ทลายทินานี่เป็นยังไงเรียกว่าละเมิดประกฎูฏ <c oughs> ต่อไม่ถูก <c oughs> เลยนั่งอบรมเสนานั่นก่อนเนี่ยโอ้ต <c oughs> ายแล้วคือพระบางทีก็ปล่อยประละเลยคือเก <c oughs> ร, รงใจโยมอ่ะรวมก็คล้ายๆกับว่าเขาก็สมาทานศีนมาก่อนเราจะไปสอนเรื่องศีนเขาก็ยังไงอยู่ <c oughs> ครับเกรงใจ ครับครับขอบคุณท่านผู้จัดการครับ02 241 3315นะครับเรารับสายเพื่อสอบถามปัญหาทั้งมาข้ามานะครับวันนี้มีแฟนรายการหลายท่านเลยนะครับนี่อยากโทรเข้ามาไม่ติดก็เลยฝากจดหมายมาถามท่านผู้จัดการย์ครับวันนี้มีหสามฉบับนะครับฉบับแรกเรียนสอบถามท่านผู้จัดการว่าเคยบวชมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่า ตอนที่บวชนั้นเนี่ยได้นําน้ํานะครับซึ่งทางวัดเนี่ยเขาเสูบมาเพื่อใช้ในกิจกรรมของวัดอะไรพวกนี้นะฮะหรือปรากฏว่าได้นํามาใช้เป็นการส่วนตัวอะไรพวกนี้นะฮะไม่ทราบว่าก <c oughs> ารที่เรานําน้ําไปใช้เป็นการส่วนตัวนะครับโดยที่ไม่ใช้เป็นกิจกรรมเนี่ยฮะจะบาปหรือไม่หรือเป็นยังไงบ้างครับจะบวชต่อแล้วจะมีผลยังไงบ้างตรงนี้ไม่เกี่ยวครับผมคือคือเราเป็นพระนะเรามีสิทธิที่จะใช้น้ำในวัดอ่ะครับท่านครับ ตราบใดที่เรายังเป็นพระอยู่หรือเป็นเด็กวัดหรือเป็นอะไรตางเป็นคนวัดเนี่ยน้ําของวัดมันก็มีสิทธิ์ใช้อยู่ครับแต่ถ้าเราเป็นคารวะเราไปรับขโมยมาจากวัดอันนี้มันผิด<อ>แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นพระคล้ายๆกับอาจารย์เป็นเป็นบุคลากรของศรีประทุมเนี่ยอาจารย์ก็มีสิทธิ์ใช้น้าใช้ไฟได้ <laughs> นะแต่ว่า ไม่ใช่ว่าพอพอตอนเย็นเอาหม้อควยฟ้ามาหุงข้าวไปกินที่บ้านอไอนี้มันมันผิดไฟ <c oughs> ไนนครับข้อที่สองข้อที่สามถามรวมกันเลยนะครับท่านที่ควรจครับข้อที่สองถามว่า เออตอนบวชเนี่ยเอาจีวรของพระที่ศึกมาแล้วมาข่มเนี่ยจะขาดความเป็นพระหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีเจตนาโอ้ <c oughs> ไม่ได้เกลียวฮะคือเขาสละแล้วจีวร อ, อย่างนั้นแหะครับผมจีวร ก, ก็สละ ก, ก็ทิ้งอยู่ที่วัดเนี่ของก็สละแล้วพระก็เอามาใช้ครับแล้ว<ล>จีวรก็ต้องช่วยกันใชอ้อะนะใช่ครั บ, ร บ, รบแล้วข้อที่สามก็สุดท้ายนะครับมะม่วงที่ขึ้นในเขตวัดท่านเจ้าวาดไม่ให้นํามาฉันนะครับแต่ว่ า, าได้นํามาฉันนี่ไม่ทราบ ว, ว่าจะขาด อขิดข้อไหนของสงฆ์ครับนั้นไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ลักขโมยอะไ ร, รก็เป็นสิทธิที่จะฉันได้ครับแต่ว่าเจ้าวาดไม่ใช่เจ้าของนะฮะหรือเจ้าวาดก็ท่านก็เขา้ขาใจผิดไม่สมบัติของวัดนะครับแล้วเราก็เป็นภิกษุก็มีสิทธิทจะฉันแต่ไม่ใช่เอาไปขายอะไรนะ <c oughs> ก็มีสิทธิทจะฉันถ้าจะฉันนะแต่ว่าตามปกติแล้วนี่มันต้นมะม่วงเนี่ยถ้าเราไปจับต้องต้องต้นเนี่ยเขาเรียกอุกขิหิต <Okay. S 2> ไปสันแลต้องเอาปทุกะครับผมบขอบคุณทา่านผู้อ่ินอาจารย์ครับแล้วก็มีนะครับแฟนรายการสอบถามมาโทรมาวันนี้เลยนะครับถามเป็นห่วงมากเลยเรื่องการรื้อสาราเก่านะครับ ศาลาการประเรียนหลังเก่าเนี่ยสร้างศาลาใหม่ต้องทําวิธีในบ้านวิธีการรื้อถอนคุณจะต้องนิมนต์ผ้ากี่รูปทำก่อพิธีอย่างไรบ้างถ้าทําศาลาเสร็จแล้วต้องทําพิธีอัญเชิญพระพุทธมาด้วยหรือไม่และต้องทําอย่างไรนะเป็นห่วงเรื่องการรื้อศาลามันก็อยู่ระบรบความเชื่อของท้องถิ่นดูท้องถิน่นในดีก็แล้วกันมันไม่มีข้อยุติหรอถ้าว่าศาลาเก่าแล้วเป็นเป็นของโบราณเนี่ยบางคนจะทําพิธีหน่อยนะเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของเดิมอ่าแล้วก็ความรู้สึกของชาวบ้านไอ้นี่มันเป็น ผลทางสังคมจิตวิทยามันมันจะพูดยุติลงไปไม่ได้หรอกอย่างอย่างที่วัดวรว น, นี่บางทีแม้แต่ตัดต้นไม้เนี่ยเขาทำพิธีนะแต่พิธีบวงสวงเลยนะรู <laughs> รกรเทวดาอะไรแต่ไดมันก็เป็นระบบความเชื่อของท้องถิน่นเขาตรงนั้นครับท่านครับเราก็เคยเอามาก็เคยไปยืนดูดแล้วเราก็ว่าก็ก็ก็ดีนะการทำให้สำนึกคุนของเจ้าของเดิม แล้วก็<ห>ทำบุญ <ไป S 2> อุทิศกุศลให้เข า, าก็ทำบุญให้ให้้หอุทิศให้เขามันเป็นวิธีอย่างหนึ่งเอามาว่าเป็นเป็นวิธีที่ที่จะสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ว่ากระทาย่ายีต่อเจ้าของเดิมโดยไม่อีนังขังขอบอะไรเลย อแต่ถ้าเราบอกกล่าวเล่าแจ้งให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ทำบุญบัติตกุศลส่งไปให้เขาก็ควรนะฮะก่อนอุทนาความคิดโยมที่ถามมาก็ดีะครับขอบคุณท่านที่ควใจครับสายทางบ้านสายต่อไปครับสายที่ห้าครับผมสวัสดีครับพีรายการครับครับสวัสดีครับอาจารย์พี่รายการครับท่านทุกท่าครับผมสวัสดีออาการยนะครับสวัสดีครับสวัสดสอบถามครับว่าพระอินุปัจจุบันนี้นะครับเป็นพระินุงเดียวกันที่ไปไปสายบาท ท่านหากระสปะหรือเปล่าครับที่ออกเป็นรถสบารบัสเนี่ยอ้โหสวยค่อยนะครับผมอ่าพระอินทุนี้ที่สมัยเป็นที่เป็นมามานุปปันสร้างสร้างสาราสธรรมมาแล้วก็คือพระอินนี่นะสมบูรณ์งการสร้างสาราอย่างมีขนาดนี้แล้วดังในปัจจุบันเนี้มีการสร้างพระอุโบสถสร้างพระอุโบสถซึ่งทาสังฆกรรมได้มากกว่าการที่ได้รับสงบ์มากกว่ามากกว่าการในครั้งก่อครับผมขอบคุณแา่นะครับ พระสวดนะครับพระอินทร์ครับคือหลักฐานเนี่ยพระอินทร์องค์นี้ก็คือมขะมนณบทั้งแหละครับแต่ว่าพอดีตอนสมัยพุทธกาลนะท่านหมดอายุแต่ก็มาฟังเทศพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงสักกะปณสูตรแล้วท่านก็จุติแล้วท่านก็อุบัติตรงนั้นแหละก็เป็นพระอินทร์หนุ่ม ก็ก็เป็นใหม่เพราะงั้นมันมีความรู้สึกผูกพันต่อพระเจ้าคล้ายๆกับพ่อผู้ให้ชีวิตเพราะงั้นท่านจะดูแลพระเจ้ามาตลอดเลยแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยท่านก็ดูไม่ต้องยุกท่านดูแลเองหลยแล้วแล้วก็ทีนี้บุญกุศลเนี่ยที่ท่านทํามันก็เป็นบุญกุศลที่เป็นเหตุเป็นทิศอย่างนั้นแต่ทีนี้เท่าสร้างโบสถ์รอะไรมันก็มากกว่ามากกว่าก็บุญก็มากกว่าเพราะว่า มันอยู่ที่อย่างที่บอกเนี่ยว่าเสนาสนธาเนี่ยมันได้เกิดบุญแก่ผู้บริจาคทุกขณะที่มีการใช้สอยครับคัมภีโบสถ์มันจะใช้มากกว่าศาลาที่ท่านมาค้ามมโนสร้างนะครับเพราะศาลาก็องเอาคนเดินทางคนานที่คนเดินทางปานนาทหนึ่งแต่โบสถ์มันใช้กิจกรรมเยอะมันก็ได้บุญมากกว่าครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกทานครับสายต่อไปนะครับสายที่หกครับผมครับสวัสดีเข้าไปรายการครับสวัสดีครับสวัสดีเข้าไปรายการครับ สวัสดีครับครับโทรเข้ามาใหม่นะครับพอดีสายไม่ดีนะครับ022413315นะครับสอบถามปัญหาจะมาเข้ามาได้ครับมีแฟนรายการนะครับจากจังหวัดราบุรีนะครับก็เข้าไปหาท่านยุอาจารย์นะครับแล้วก็ได้ฝากคำถามไว้นะครับดีมากๆเลยครับคำถามแรกนะครับฝากถามว่าช่วยบอกวิธีการทำให้สติอยู่กับตัวเพราะเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมักจะประมานะครับลืมสิ่งต่างๆสติ คล้ายๆสติสิครัเด็กเไหมครับอยากทาบว่าต้องท ำ, ยงทำอย่างไรครับคือพูดง่้เรตั้งใจอ่ะตั้งใจอ่านตั้งใจฟังตั้งใจพูดตั้งใจคิดตั้งใจเขียนให้ใจมันอยู่กับเรื่องที่เราทําในขณะนั้นนันแหละอันนั้ น, ค, นคือตั้งสติครับผ ม, มจะเรียกภาษาธรรมดาอย่างเงี้ยคือตั้งใจอ่ะให้อยู่กับเรื่องเหล่านั้นครับจดจ่อกับเรื่องเหล่านั้นเขาเรียกว่าระลึกรู้ในแต่ละขณะก่อนทําขณะทําหลังจะทําไปแล้วแต่ว่าตามปกติเราระลึกที่ปัจจุบันคระลึกที่ปัจจุบัน ก็ก็มาพูดถึงปัจิุบันมาอย่างนึกถึงข่าวสารต่างๆที่มีการตกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีการโจมตีแบบเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล <c oughs> ลืมไปว่าไม่มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาเลเรื่นี้เขายุบสภาไปแล้วเ <c oughs> นี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่มีผู้แทนเลยสักคนเดียวต้องรู้อย่างนั้นครับแล้วเธอจะต้องเข้าใจว่าเธอไม่ใช่สอสอในปัจจุบันเนี่ยแล้วเธอจะหยุดการเถียงเองครับ เธอลืมตัวไปเธอขาดหลักการในการรู้จักอัตมุตาเนี่ยไม่รู้จักตัวเลยก็ทําตัวเป็นหัวหน้าพักเฉยเลยแล้วก็เป็นสสเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านแต่ว่าเรื่อยไปทุกวันเลยเธอเธ อ, อไม่เป็นสสเบนนี้สสฝ่ายค้านก็ไม่มีฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีอ่านะก็สงบสงบกว่านั่งเถอะเรื่องมันจะไม่วุ่นวายมันก็หลงโล่งแล้วตอนเนี้ยนะฝ่านครขอคุณท่านผู้ชมครับขอสนับด้วยคำถามจากทางบ้านนะครับสวัสดีครับแฟนรายการครับสวัสดีครับครับ สอบถามได้เลยครับองค์ท้ามัญชัยทังนี้นะครับครับผมคือสมัยที่องค์สุเจศกัมมารสมุทรเจ้าปฏินิพพานนะครับมีโทนพามเป็นผู้มาแจ ก, กอธิธาตของพระอรค์ระเจ้ากระดาครับผมมอโทนพามเอาพระเที่ยวแก้วไว้ในมวยผมพระอินมาเอาไปนัคือว่าพระอินก้มมวย สิของวันนั่นหรือเปล่าครับตลาหรือเปล่านี่ก็เด่นนะครับสวัสดีครับไม่ใช่คือโทูน่าพรามก็ไม่มีสิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิในพระเครื่องแก้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นประธานในการแจกพระเครื่อแก้วครับแล้นความเหมาะสมว่าพรเครืยวแก้วจะอยู่ที่ไหนถ้าไปอินท์ก็มาเอาไปวางในที่ที่เหมาะสมแต่นั้นเองแต่พระโทูน่าพรามเอาไปมันก็ไว้ที่บ้านแก่ มันก็อยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมครับพระธาตุมันไม่เป็นสมบัติของใครนะฮะเป็นสมบัติของมนุษยชาติก็ใครจะถือสิทธิเป็นเจ้าของไม่ได้คล้ายๆกับเอกสารหนังสือของฟ้าเนี่ยคนมาขอเอามาบ่อยเอาไปพิมพ์บอกว่ามาไม่มีลิขสิทธิ์ <c oughs> ลิขสิทธิ์เป็นของพระพุทธศาสนาเราไม่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ครับอืมครับดียวไม่ต้องขอว่าพิมพ์เลยอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปเลยในว่าเลยท่านทุกท่าครับแล้วในสัปดาห์สมงต่อพุทธศาสนานะครับเนื่องในวันอาสนะบูชานะครับ ทางนี้ทางเจ้านโลจารย์มีกิจกรรมอะไรบ้างไหมครับที่ให้ประชาชนได้ไปร่วมครับผมเก็มีกิจกรรมขขาก็จัดนะครับเป็นสัปดาห์เผยแผ่รูศาสนัปดาห์เรานะจไม่ครบทั้งเจ็ดวันเนะ่แต่ว่าเกือบเกือบไปรบเริ่มจะรู้สึกจะเริ่มจากวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่เก้าเลยอนะไรเนี่ยแต่แต่เนี้ยนะครับท่าครับ ก็จะไปถึงวันที่สิบเอ็ดประมาณทั้งห้าหกวันแ ต, แต่เนี้ยนะมีกิจกรรมเยอะเหมือนกันที่ต้อาสนับหลวงนะทุลกระหม่อมเป็นประธานไปเปิดงานแล้วก็มีกิจกรรมมีการอภิปรายมาก็ได้รับการนิมนต์ไปอภิปรายในหัวข้อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพลังของแผ่นดินครอก็อภิปรายอยู่หลายชุดะนะครับ มันประมาณที่อะไรก็แฟรายการจะได้ไปติกพอตอนนี้ฮะบาแปดเก้าสิบสิเ็เนี่ยแต่เนี่ยก็ต่อกันไปคือยังไงก็แฟนรายการที่อยากหกเส็ดแปดเก้าเลยแต่แต่นี้จะทำไปนะล้วน่าจะเรื่องที่หกอะใช่ อจะเริ่มเดีวันนี้หครับในแฟนรายการนะครับที่อยากฟังนะครับท่านที่คุอาจารย์นะครับก็ติดตามได้นะครับที่สนามหลวงนะครับก็มีสัปดาห์เผยแบบพุศาสนานะครับจัดขึ้นซึ่งทําให้ประชาชนชาวไทยเรานะครับเห็นความสําคัญของพศาสนาซึ่งเป็นศาสนาพุทธศาสนาประจําชาติของพวกเราชาวไทยนะครับท่านี่คุณจาครับคำถามต่อไปนะครับที่ฝากมานะครับอยากจะทราบว่าเอ่อความดีที่เรากระทําบุญที่เราสั่งสมนั้นนะฮะบางครั้งเนี่ยจะอธิบายให้เกิดเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ย อได้ชัดเจนเนี่ยยากซะหน่อยสําหรับคนบางคนเนี่ยจะมีวิธียังไงไหมครับท่านจุกุญแจครับที่ทําให้คนเนี่ยก็เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับคือบอกลองนึกดูแลสบายใจไหมลองนึกดูสบายใจไหมเช่นเราเคยให้ทานเคยช่วยคนชราเคยบริจาคอะไรต่างๆนึกดูแลสบายใจหมครับบูงก็คือความสุขอ่ะครับเอากันขนาดนั้นเลยจ่าจ่าขนาดนั้นลองนึกดูเถอะคุณคุณเคยรักขโมยของคุณนึกแล้วสบายใจไหมเนี่ยถามดูดิเห็นไหยคือคือ สิ่งเหล่านี้บุญเนี่ยคือความสุขที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆส่วนนั่นก็เป็นผลบุญในการอํานวยผลของบุญเนี่ยออกมาเป็นความเจริญด้านลาบยศสันสเลือจะได้กล่ากันไปแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งน ouais. ึกถึงเมื่อไหร่สบายใจเมื่อนั้นนึกถึงเมื่อไหร่สบายใจเมื่อนั้นใช่ครับบาพูึกถึงเมื่อไหร่ไม่ก็ไม่สบายใจทุกทีเช่นสมมติว่าสมัยเป็นเด็กเราเคยด่าแม่ของเราเองเนี่ยนึกถึงเราไม่สบายใจทุกทีใช่ครับใช่ครับ เองนะลองลองลองนึกดูเราเคยล่วงเกินแม่อะไรบ้างพ่ออะไรบ้างแล้วทุกวันเลยยังนึกไม่สบายใจอยู่นึกที่ไรก็รู้สึกอยากจะแก้ไขแก้ไขเอาแม่ก็ตายไปแล้วมันจะแก้ไขยังไงทำบุญที่กุศลถกไปให้อย่างเงี้ยครับคือคือพวกนี้มันจะเป็นตราบาตตราบุญออืที่พุทจาบอกว่าติดตามคนไปเหมือนเงาอะมันตามอยู่ตลอดครับนึกถึงเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นเงาก็เหมือนกันที่จริงเราต้องการดูเมื่อไหรเราก็เห็นเมื่อนั้นครับแต่ว่า ต้องอยู่ในที่สว่างเพียงเดียวครับขอบคุณท่านผู้จัดการกราฟสายต่อไปสายที่เจ็ดครับสวัสดีค่แสัตว์การครับโสวัสดีค่ะครับผมค่ะแล้วก็พูดในการอจะถามปัญหาที่เราทุกวันพักเนี่ยนะเจ้าค่ะเราไปถือศีลที่วัดน่ะแล้วเรามีเหตุการณ์จําเป็นจะต้องกลัดมาบ้านเนี่ยยังเป็นศีลมุโศดอยู่ไหมเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งนะคะแล้วข้อที่สองเวลาเราไปปฏิบัติธรรมนะคะ จำเป็นไหมคะทุกครั้งจะต้องแผ่เมตตาให้กับพ่อครัวหรือว่าให้กับหมู่ญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับผมครับผมทุกวันคือศีลเนี่ยมันอยู่ที่การตั้งใจงดเว้นแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดอยู่ที่ไหนไม่แปลกอะไรครับ นะคือคือศีลของโยมเป็นชาวบ้านเน่ยเขาเรียกอาคาริยวินยัยวินัยของผู้ครองเรือนอยู่ที่ไหนก็ได้อย่าละเมิดก็แล้วกันเพราะศีลจริงๆเนี่ยแปลว่าการสำรวมระวังการลดเว้นการไม่ล่วงละเมิดแต่ปกติกายปกติวาจาแล้วก็ที่จริงแล้วสมาทานหรือไม่สมาทานก็ได้เดี๋ยวทั้งไปอธิฐานเราก็ได้นะครับ ข้อสาคัญว่ารักษาได้อย่าอย่าล่วงละเมิดนั่นคือประเด็นครับประเด็นสองะไรนะปฏิบัติธรรมต้องแตกต่างกคือคือคนละประเด็นกันนะะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นภาวนาใหม่เป็นบุญส่วนหนึ่งครับแต่ว่าเราอุทิศส่วนกุศลนี่ยเป็นปฏิทานใมัยอีกระดับหนึ่งถ้าเราต้องการอุทิศก็ได้ไม่ไม่อุทิศก็ได้นะแต่ถ้าเราอุทิศเราก็เพิ่มบุญให้แก่เราแล้วก็เพิ่มบุญให้แก่คนอื่นที่ด้ที่รับทราบแล้วมโนทนาแต่เราไม่อุทิศบุญก็เกิดเท่าที่เราทําครับผม ก็ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะก็อุทิศส่วสนกุศลไปด้วยก็ดีแล้วก็แ่ตมิตาก็เพิ่มบุญให้แกเราเองมากึมขึ้นครับครบขอบคุณท่านทุกทานครับขอจดหมายแทรกหมือนนะครับมีจดหมายสดถามมาว่าออผมทราบว่าการแก้ปัญหานั้นต้องใช้สติ แล้วก็ใช้ปัญญาร่วมในการแก้ไขปัญหาแต่ผมไม่เข้าใจคาว่าสติปัญญานั้นมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างการที่ตัดสินใจแก้ปัญหามีสิ่งใดๆเนี่ยนะฮะซ่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยถามว่าสติปัญญาจะแก้ไขปัญหาเนี่ย ใช้หลักทํรย่างไรบ้างครับที่เชื่อคืค<ณ>อสติยังต้องระลึกย้อนถึงเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องอดีตเแม้ปัญหาเนี่ยมันเกิดในในอดีตแล้วเรามาแก้ที่ปัจจุบันบต้องระลึกเรื่องอดีตได้ครับนะอะไรเป็นเป็นตัวปัญหาอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาทํายังไงจะหมดปัญหาหลักการวิธีการยังไงถึงจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้มันก็ต้องมันก็ต้องระลึกถึงทั้งหมด แล้วก็ใช้ปัญญาวินิจฉัยเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กณิถ น, นั้นเขาเรียกว่ามีปัญญาในการบริหารจัดการกับปัญหาเหล่านั้นปัญหาบางอย่างคล้ยายๆ ค, คนป่วยเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเราบัดคนป่วย<อ>ถ้าเราไม่รู้ภูมิหนังจริงๆเรากลางยาไม่ถูกครับถ้าสารได้ลึกเท่าไหร่จะแก้ปัญหาได้ลึกซึ้งมากเท่านั้นเพ ร, ร, ราะแนต่ตรงนี้เราเห็นว่าเป็นเป็นโครงสร้างของอรเยสัต ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ารู้อธิกรเหตุเกิด อ, อธิกรความรับปฏิกริยข้อปฏิบัติได้ถึงเรื่องความรับปฏิกริย์มันมันเป็นโมเดลที่ใช้ได้ทุกเรื่องครับการแก้ปัญหาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเวลานี้เราจะเห็นว่าปัญหาเป็นนันมากที่เราแก้แล้วเนี่ยมันทิ้งฐานทิ้งฐานยกตัวอย่างเนี่ยยกยกตัวอย่างเช่นว่ากฎหมายที่ว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันทําลายรากง่าของความมิสังคมไทยได้ ครับเพราะว่าในช่วงที่มีการออกพระราชกิจดุกาให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเอไปงานศพใครไม่ได้เลยนะบวชหน้าก็ไม่ได้งานวัดก็ไปไหนไม่ได้โอ๊ห้ามหมดเลยเครั บ, รบทําลายอังคะประโยชนของความเป็นสังคมไทยสถ <ใช S 1> าทําไทยถูกทําลายด้วยพระราชบัญญัติอืมเห็นไหมคือเราได้ตรงนั้นแต่เราเสียในความเป็นสังคมใช่ครับหกสิบวันอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าคนนี้ไปไม่ได้เลยอืม แล้วก็จ่ายอะไรก็ถือว่าต้องมาคิดค่าใช้จ่ายอะไรแต่ใเนี่ยคือไปไประแวงจนเครียดอ่ะเป็นอาการทางจิตประสาทไปเลย <c oughs> เครียดไปเลยครับใ <c oughs> คืออ่านแล้วเอ๊ะมันมันมันเครียดอ่ะนี่มันอาการเครียดเฉยๆก็ <c oughs> ไม่ไว้ใจใครเลยะจะดเกรงกินเพียดไปหมดเลยห้า <c oughs> มันก็ต้องทํ า, ามมทบญ <c oughs> ุญนะห้ามห้ามแม่จะทําบุญนึกก็สมมติว่าเราสมัครผู้แทนสาวันแม่ตายจะทำไง ต้องเก็บโฉมไว้ก่อนทําไม่ได้โอ้ oh, ใช่ครับตรงดดนี้คือเราคิดดูตัวเองถามว่าปฏิบัติอย่างไงครับปฏิบัติแล้วเนี่ยพระราชบัญญัติกฎหมายและธนูญเสามั่นใเนี่เอามาถามอยู่ทุกวันเนี่ยถามว่าปฏิบัติอย่างไงครับที่คุณคำว่าอุปถัมภ์และคุ้มครองอุปถมัมภุตกับอุปถัมภศาสนาซิกเนี่ยซึ่งมีประชากรอยู่แค่สองพันห้าร้อยคนเนี่ยครับกับพุทธซึ่งมีประชากรอยู่ห้าสิแปดล้า น, น <50 S 2> คนอุปถัมภ์ยังไงใช่ครับ <Ừ. S 2> ในฐานะศักิและสิทธิของความเป็นศาสนาด้วยกันเนี่ยครับผมมันคำอย่างนี้ไปใช่เ ง, งินไม่ได้ใช่ใช่มันจะมีปัญหาในภาคสนามเพราะมันเป็นสิทธิเสมอภาคเพราะคุณใชก้กรรมาศาสนาครับแล้วนะมันจะมีปัญหาในแง่ของภาคปฏิบัติในแง่ของหลักดักกษสตร์ในแง่ของนิรุติศาสตร์ครับและในแง่ของสังคมในแง่จิตวิวันไม่มีปัญหาหมดเลยครับคือคือคือ คือเขียนอะไรมันก็เขียนได้แต่ทาปฏิบัติยังไงนะปฏิบัติยังไงแล้วมันเกิดผลดีผลเสียอย่างไงบ้างไหมจะเห็นว่าหกสิบวันอะไรก็เกิดขึ้นได้มันแสดงว่าเราประมาทเราขาดหลักสติครับ <c oughs> เราอยู่ด้วยความประมาทคุณรู้ได้ยังไงวันในหกสิบวันอะไรจะจะไม่เกิดขึ้นคุณประกันได้ไงครับ <c oughs> มีคนคนหนึ่งเขา พระพุทธเจ้าไปรับนิ ม, มนต์ของนางสุพัทธาลูกสาวของเตรนาตบินิกาเศรษฐีพระโมกขลนานะไปรับไปแล้วครับพระพเจ้าบอกว่าขอขอเลื่อนกันไปก่อนขอเลื่อนเขาบอกว่าถ้าจะเลื่อนก็นได้แต่ขอให้พระพุทธเจ้าช่วยประกันในสองเรื่องเดิมชีวิตเขาต้องไม่ตายไอก่อนสองศรัทธาเขาต้องไม่เสื่อมพระพเจ้ารักสั่งว่าชีวิตจะประกันให้แต่ว่าศรัทธาคุณประกันเอก โอ้อ่าสนใจค่ะใช่ไมครับคือเราเป็นประกันแตถาก็ไม่ได้แต่ว่าชีวิตเต็มพระยาอมีญาณอย่างรู้แต่ศรัทธาคนมันเปลี่ยนตามกันไม่ได้ใชครับเปลี่ยนไม่ขนาฮะศรัทธามันเปลี่ยนเป็นขนาดเลยนะคัเป็นเปลี่ยนขนาะเลยฮะศรัทธาเนี่ยคนที่ศรัทธามั่นคงจริงๆจะหายากครับเพราะงั้นการตั้งใจเป็นนันมากจะทําความดีแล้วเราทําไม่ได้เนีมีเยอะกว่าที่เราทําได้ลองจดไปดูเถอะเพราะอะไรเพราะศรัทธามันไม่มั่นคงศรัทธามันงอนเงับ มีวิธีแก้ไหมท่านผู้นี้แก้ยากแกยากแกยาก <c oughs> เพราะว่าจิตใจนั้นเราจะพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเมื่อใจฆาเจตนาเกิดขึ้นภายในจิตคือเจตนาจะบริจาคเกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยครั บ, ไ, รบไอ้มัดเสียระจิตมันเกิดขึ้นเป็นพันพันดวงเลยเกิดสลายพลังของจิตจิตที่จะบริจาคเนี่ยเลยเลิเลกไปเลยมันจะล่วมกระเป๋าแล้วกระเป๋าอีกเลยเลยไปได้บ่อยช่ไหมอคือจิตมันไม่ใช่เล่นนะครับท่้นกิเลนนี่ไม่ใช่เล่นมันใหญ่มากเลย คนคนสู้ไม่เคยได้หรอคฮะแต่ว่ายอมหยุ่นๆไปงั้นเองครับแส่วนใหญ่เราเราเราอยู่ยืนหยัดอยู่ในกุศลไม่ได้ตลอดเป็นวัยแต่ปรผสมดาบันขึ้นไปแล้วมันจนไม่มีใครยืนหยัดได้ฮะครับขอบคุณเจ้าบุญจ่ายครับสายต่อไปครับสายที่แปดครับสวัสดีครับรายการครับสวัสดีครับรายการครับครับสวัสดีครับครับผฟังเพลินไปนะครับแต่ผมซื้อสองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับ ศูนย์สองสองสี่หนามึงห้ะครับตัวสอสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้ใหม่นะครับขออนุญาตไปคําถามทางบ้านที่จดหมายเข้ามานะครับสอบถามว่าท่านทวยขุนใจครับเป็นห่วงมากนะครับปัญหาสังคมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะฮะเด็กนักเรียนตีกันผู้ชายมอมเหล้าผู้หญิงและข่มคืนไม่สบายใจมากอยากทราบว่าพระนี่จะช่วยนะฮะพระพิสุทธิสงฆ์เนี่ยจะช่วยเทศสั่งสอนประชาชนให้เกรงกลัวละอายต่อบาป ไ, ได้ไหม จะเป็นหน้าที่ของภาสอย่างเดียวหรือเปล่าครับคุณนต์ตงค์ือไม่ใช่ปัญหาเหล่านี้มันสาคัญว่าคนเหล่านี้เราติดต่อกับเขาไม่ได้ครับอย่างวันเนี้มาไปร่วมเด็กที่สูงเนินมาครับเด็กประมาณสี่ร้อยกว่าคนนะมาจากโรงเรียนสองสองอำเภอนะะอําเภอปะทายกับอำเภออะไรกันเอเราก็คุยกับเธอนั่งคุยกันครับมันก็สําหรับเด็กตรงนั้นก็เราคุยให้เขานั่งฟังด้วยความสงบได้เป็นเวลาสองชั่วโมง แล้วก็เธอถามอะไรมาเราก็อธิบายเหตุผลให้คิดคิดกลับไปคิดง่ายๆให้เด็กมันคิดได้ครับแล้วอธิบายให้แกเด็กแกนั่งพยักหน้าให้ได้อ่ะอแล้วก็เด็กพวกนี้ยเราแก้ได้แต่ว่ามันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นะต่ะนไงใช่ครับคือว่าปัญหาเหล่านี้อามายังยังไม่นึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ครับเพียงแต่ว่าระบบการศึกษาที่จัดก็ดีนะครอบครัวก็ดีเนี่ย ไปให้ความสําคัญแก่เงินซามากกว่าค่าของความเป็นคนของลูกตัวเองครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพ่อแม่ที่จอกจอกเช้ามืดไปแล้วควันก่อนมีพักพวกเขาก็มีมีเพื่อนก็ถามว่าเป็นไงลูกตัวละอย่างจะทํามืออย่างเงี้ยแกเห็นตอนลูกนอนเหตุผล <c oughs> <c oughs> ทำไมลูกคนโตเลยแกเลี้ยงมือเนี้ยปรากฏว่าปรากฏว่าเห็นลูกตอนนอนครับตอนเช้ามาลูกหลับแล้วไอ้อตอนเช้าไปลูกลุก อลูกยังไม่ตื่นตอนตอนเย็นมาลูกหลั บ, ลลบแล้วอืมเลยก็เห็นตอนลูกนอนอยู่บนเปรครับวัวยาวเลยอ่าว <c oughs> นนี้นี่คือคือปัญหาสังคมคคแล้วอีอยาง น, งนึนี่คือสื่อสารมวลชนชอบลงข่าวเยาวชนกับพระในทางที่ไม่ดีเพราะว่ารังแกเยาวชนกับรังแกพระนี่สบายที่สุดคือปลอดภัยที่สุด ไม่มีการฟ้องร้องไม่มีอะไรฮะเพราะสื่อสารมวลชนจะสะใจมากการลงข่าวละกับเยาวชนครับแต่ว่าไปลงข่าวทหารกล้าไหมลงข่าวตำรวจกล้าไหมนะฮะคือคือคือเจ้าพ่อจั้งหลายมาเฟียจั้งหลายสื่อสารมวลชนรู้มัรู้นั้นแหละมันเล่นไพ่ที่ไหนบ้างรู้ทั้งนั้นใช่ไหมเรากล้าลงหรือเปล่าเห็นไหมฮะ เพราะบางกลัวจะถูกตีหวัวไงแต่ว่าพระกับเด็กนี่สบายเลยเล่นละเลงเใช่ทุกอาทิตย์เลยนะครับ <อ Represent S 2> ย้อนรอยรอะไรเนี่ยชอบเล่นเด็กเนี่ยเด็กกับพระรเด็กกับพระตลอดนิทานตายเถรใหญ่ชีมีตลอดเธอสะใจเธอเห็นว่าได้ดังแก่คนข้างเดียวน่ะเธอสะใจมากครับผมแล้วถามว่าข่าวที่เธอลงเนี่ยอย่างพระบางเรื่องที่แถวพัทลุงเนี่ยถ้าเขาหมอเขาอ่านข่าวปั๊บเนี่ยหมอเนี่ยเขาบอกว่าโรคจิตใช่ครับ เขาไม่ไปซ้ําเติมหรอกเขาส่งโรงพยาบาลแล้วคุณมาด่าเอาเฉย ๆ, ๆแล้วคุณรักษาได้เพ่าสิ่งคนนี้คุณเองรักษาไม่ได้ดังนั้นคือโรคจิตครับเห็นไหมเราจะมองอีกเรื่องหนึ่งเลยครับแต่พวกพวกนี้โอดได้อาหารโอชาแล้วขายได้หลายวันอะออกหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก่อนเล่นโทรทัศน์ก็อ่านนะอย่างคุณไรสรยุทธกับคุณกหนกน้านํามันหัวเราะเชิดหน้าจูตาโอเยอะเยอ ะ, ย ะ, ย ะ, ยะถากถางสะใจแล้วก็เอคลิปวิดีโอพากมาเล่นเล่นเล่นอีก ใช่ครับอันนี้มันก็คนมันสังคมเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ผลท้ายมันคือข่าวเด็กมันไม่ได้มากอะไรเด็กที่ทะเลาะ ก, กันอย่างนั้นถ้าถามว่าเราสมัยเป็นเด็กนี่ทะเลาะ ก, กันไหมเราก็ทะเลาะถ้าลองจดเอาไว้เนี่ยมันก็ เยอะทางนั้นแหละทําไห้เป็นเด็กแต่ว่าเราทําลืมเองครับเพราะเด็กแล้วเราก็ไปซ้ําเติมข่าว ค, คือข่าวมันมันคนมันมากแล้วก็สื่อสารมวลชนใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องหากรีนข่าวแล้วก็ไปเหยียบย่าสังคมซ้ําเติมสังคมเราจะเห็นว่าข่าวเด็กกับข่าวพระแล้วก็มันตลอดเลยครับแล้วไม่นิ่งไม่ใช่ครั้งเดียวครับะเชน่นเด็กอาชีวะตีกันก็ดีเด็กผู้หญิงตีกันมันก่อนอะไรแต่ละรเรื่องรับน้องอะไรแต่เล่นอย่างนั้นรับ ถามว่าเคยเล่นพวกเสเสทั้งหลายอย่างนี้มั้งปะเคยหรือเปล่าครับผมอันเนี้ยคือคือสังคมเรามันเป็นสังคมที่ยอมจำนวนแล้วก็สะใจในความเลือดร้อนของคนอื่นครับสังคมที่ขาดอุเบกขาขาดเมตตา ซึ่งซึ่งแก้ไขยากนะครับแก้ไขยากเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ทำกำไรให้คนเหล่านี้ครจะเห็นว่าหนังสือที่ไปเล่นข่าวเรื่องพระได้ในรวยพึ่งสือบางฉบับในรวยไปเลยนะคอลัมนิสต์บางคนีนเปลี่ยนรถเลยเปลี่ยนรถจากโฟกเต่าเป็นเบน190เลยย้อนไงโอยมันเรื่องน่าสลุและประเทศไทยครับขอบคุณท่านที่เป็นใจรัปตันที่8ครับสวัสดีครับ ครับผมการนวัตกรรมพระอาารสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการนะครับครับผมขอําปัญหาหน่อยครับสอข้อนะครับเช่ครับเอข้อแรกคือมนุษย์สัพูโตช่วยให้พระอาจารย์อธิบายความหมายให้ฟังหน่อยนะครับใช่ครับแล้วก็ปัญหาข้อที่สองคือผมกับเพื่อนเขียงกันครับเขียงกันเถอะครับว่าอท่านมีชีวิตอยู่แบบประมาทเขาบอกผมอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมก็ตั้งคุณงามความดีรักษาศีล คืออแก จ, จะให้ผมไปทําธุรกิจแต่ผมไม่ทํานี่ผมใช่ผมประมาทไหมครับนี่คือมี <c oughs> <c oughs> อ่สองข้อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวครับผู้อำนวยการให้ผมฝากความคิดถึงไปถึงอาจารย์วัฒนยูหน่อยนะครับต่อได้ครับได้ครับอพอดีท่านมานั่งแท็กซี่ผมได้ไหมครับครับผมอาจารย์วัฒนยูแล้วทีนี้ท่านก็อาข้นหนูให้ผมสองกล่องนะครับกระลาผมครับใ น, นก็ กรบขอบขอบขอบคุณท่านงน้อย่างไรครับครับผมขอบคุณมากครับขอให้ขับแท็กซี่ได้เจอรุ่นเรืองขึ้นขึ้นเร่ๆนะครับขอบคุณมากครับขอบผมครับขอบคุณมากครับครับก่อนรายการเอ่อที่ผมจะสิ่ถามว่ามนุษย์สปูโตเป็นภาษาที่เราสร้างขึ้นจากมนุษย์นิริยโกมนุษยสิรชาโนมนุษยมนุษโสมนุษย์สปูโตอะไรก็เรียกกันไปเป็นภาษาที่เราสร้างขึ้นหมายความว่ามนุษย์ที่เป็นมนุษย์อะ เป็นมนุษย์โดยธรรมะเป็นมนุษย์ด้วยกายโดยาจโดยใจโดยเฉพาะยิ่งคือมีกุศลกบฏบอยู่ภายในใจครับเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเขาเรียกว่ามนุษย์สปูโตเป็นภาษาที่เราผูกขึ้นนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่หลักการเดิมหรอกแล้วก็อะไรท่านมีชีวิตอยู่อย่าง ประมาทหรือปล่าโอไม่หรอกฮะไม่ไม่หรอกคือว่าธุรกิจคือปัญหาสาคัญไว้ชีวิตี่สําคัญอยู่ที่สุจริตหรือไม่มันไม่อยู่ที่ว่าธุรกิจหรือไม่ธุรกิจเป็นเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแต่คุณได้มันโดยการช่อดชนเนี่ยมันก็ประมาทแล้วคเพราะประมาทนัคือไม่ประมาทในการละบาปบาเพ็ญบุญทําจิตให้ฟ่องใสครับไม่ประมาทในการละกายทุจริตไว้จีตสุจริตเป็นทุจริตแล้วก็ละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกนั่นก็คือไม่ประมาทครับ ตรงนั้นที่ที่ที่คนถามนี่ก็ถูกต้องแล้วนะฮะธุรกิจที่ว่าคืออะไรล่ะคือถ้าเป็นเป็นส ม, มาชีพใช่ก็ไม่ประมาท <c oughs> แต่ก็ต้องดูให้ดีนะธุรกิจเนี่ยธุรกิจเอ่อบางทีเขาก็คิดว่าถ้าไม่ถ้าไม่โกงไม่รวยอะไรต่ <c oughs> มันมันมีวิธีคิดคือคือไม่ใช่ทั้งหมดแต่ต้องดูรายละเอียด <c oughs> แต่ว่าแท็กซี่นั้นแน่นอนแล้ว แต่ไคุณขับไปเถอะคุณก็ซื่อสัตย์จะไปขูดรีดพูดโดยสา ร, รนะแล้วเอากันโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรมมันก็เป็นอาชีพที่สุจริต้วก็เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงสถานะตัเองได้ก็ทำไปเถอะ ขนาสนใจฟังในการธรรมะนี่ไม่เบานะครับอย่างนี้มีแฟนรายการที่เป็นโชว์บัอรซี่หลายคันนะครับมากเลยในกรุงเทพมหานครที่ขับรถนะครับแล้วก็เขียนจดหมายมาขอบคุณท่านพลเอกเสรีพุทธมานนะครับแล้วก็ท่านดรชินิพนธ์พพรมกุมารมากเลยนะครับบอกว่าจัดรายการธรรมะดีๆอย่างนี้ให้ประชาชนได้ฟังนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะครูอาจารย์นะครับตอบปัญหาได้ถึงแกนแท้ของพุทธนามากเลยแล้วก็เปิดฟังรายการให้คนขับคนนักบัตเตอร์ซี่ฟังกันนครับมีขมีบางรายขอเทปมานะครับแล้วจดหมาย มาขอเทปขอเทพรายการมาผมก็อสอบถามว่าเอาเทปรายการไปสําหรับไปฟังที่บ้านหรือเปล่ปปาครับการที่ไฟรายการนั่งแท็กซี่ไปก็เปิดให้ฟังไปเป็นการเปแปีบยศาสนาไปด้วยก็ขอบคุณนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาแท็กซี่ทุกท่านนะครับแต่คุณเทปหานครที่ฟังรายการเสียงธรรมเจตศิริพุฒนะครับสายต่อไปสายที่เก้าครับสวัสดีข้าบแฟราการครับเ <c oughs> ชิสอบถามได้เลยครับ ครับขอบคุณครับเบนจะสินครับผมอ่าครับเบนจะธรรมครับอ่าแเอบเคนจะศิลผมรับทราบแล้วครับขอรับทราบเบนจะธรรมนะครับคนวณขอบคุณมากนะครับครับรับฟังจากพิชูนะครับอ่ากับสดีครับคือเบนจะธรรมในที่จริงเป็นภาษาที่เราเรียกที่หลัง คือมันอยู่ในตอนศีนั่นแหละที่พระเจ้าทรงอธิบายศีนแต่ละข้อเนะี่ยตอนคําสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเบญจธรรมดฉะนั้นปาณาติบาตอนปลายเป็นเบญจธรรมก็คือเมตตานะทินาทานเบญจธรรมก็คือสัมมาชีพชการเม็นมิชาจาร์เบญจธรรมก็คือการมาสังบสรสัมูรณ์ในเรื่องเพศหรือว่าอย่างน้อยก็ปฏิบัติคือพักดีต่อสามีหรือว่าสถานรัชโดตินดีในพัญญาตัวเองครับแล้วก็มุสาวาตเบญจธรรมก็คือสัจจะ แล้วก็สุราบเบนจะทำมันคือสติ <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามีเมตตาแต่ข้อเดียวเราก็ศีลไม่รู้สักกี่ร้อยข้อเรารักษาได้หมดแล้ว <c oughs> หรือมีสติอริบูร์เนี่ยศีลเป็นพันพันข้อรักษาได้แล้ว <c oughs> อันนี้ก็ก็คือพอถึงธรรมะแล้วเนี่ยไม่ต้องนับข้อนะมันเหมือนกับว่าเราเรียนหนังสือเราเขียนหนังสือเนี่ยฮตอนตอน้ตนๆเราก็จะมีบรรทัดมีจุดไข่ปาลาได้แต่ว่าไปพอถึงเวลานี้ไม่ต้องลเห็นไมไหมอาจารย์เขียนตรงหมดนะไม่ต้องแล้วฮะคือคือพอเป็นธรรมะเนี่ยไม่ต้องนับข้อเขามาเองโดยกระบวนการของธรรมะรอย่างที่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรารักแม่คําเดียวเนี่ยพฤติกรรมที่เรากระทาเพื่อแม่เนี่ยมันนับเป็นพันๆมาจากอะไรมาจากรักแม่แต่นั้นเอง เองมันมันสร้างกระบวนการใหม่ขึ้นมาภายในจิตครับอยพูดกับแม่ยังไงจะปฏิบัติต่อแม่ยังไงเดินผ่านแม่จะทํายังไงนะออกไปจากบ้านจะปฏิบัติต่อแม่ยังไงกลับมาจากบ้านปฏิบัติต่อแม่อย่งไงมันมันมันเกิดเองอะโดยธรรมชาติไปไปในต่างต่างต่างถิ่นมามีอะไรฝากแม่บ้างไ้มอะไรตัะเนี้ยมันก็คิดตามมาเรื่อยๆเนี่ยกระบวนเนี่ยครับลองนับลองลองจดดูได้สักเดือนเดียวใหญ่เดียวเป็นมีเป็นร้อยๆเลยร้อยๆเลยครับท่านครับขอบคุณท่านดีคุณจ่ายครับสายที่สิบครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเข้าสการเดนอระุหลพ่อแล้วก็สวัสดีรุจาราการครับครับแวควรพูดดังๆนิดนึงนะครับคนทางบ้านาท่านจะได้ได้ยินด้วยนะ ค, ครับผมก็อยากจะบอกว่าครับผมผม ขีนคราานครับครับผมผมตรวจธรามจักรนะมันผมผมตรวจไปเขาบอกว่าไม่ตรวจไม่ดีคาวาสตรวจไม่ได้อ็อกว่ามันถ้าขืนตรวจไปเดียวมันงกาวุธเขาว่าตรวจมาลบครับแล้วคือผมก็เลยผมก็ฟังรายการแรกครับอกว่าตรวจธรามจักรเลยช ม, มก็ไม่ไม่รู้ว่าจะว่าะไรถูกม่ถูกเพราตรวจ ไปครับครับคราะว่าผมครัประดุลข่าวครับผมอะไรเงครับครับผมขอบคุณมากครับประดการเจตนาสวรรค์นะครับครับผมขอบคุณนี่หรอโยงคือเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนาเป็นภารกิจของผู้ตุลาบริษัททุกๆคนครับเรป็นการสวดการสาธยายประพูดเนี่ยทุกคนก็สาธยายได้มันไม่จําเป็นไม่ต้องเป็นพระหรือว่าคาราะว่าคารวะก็คือพู้ตุลาบริษัทโยงก็เป็นอุบาสกบริษัทโยงก็ช่วยกันสวดรักษาไว้สืบต่อกันไป ไม่เลยเมียใครก็พูดเรื่อยเป็นเงี้ยนะฮะเป็นความเชื่อเฉยๆเป็นเป็นคือส่วนมากมันเป็นอะไรล่ะเป็นภาษาปากของชาวบ้านอ่ะตม้ตมต่างกันไปโดยไม่มีเหตุผลอะไรมันก็เสียหายอะไรล่ะใช่ไหมวัตยาเราก็สุดจริตกายเราก็สุดจริตใจเราก็สุดจริตอ่ะตลอดเวลาที่สวดเนี่ยมันประพฤติทำอยู่ตลอดระยะเวลาเท่าที่เราสวดจิตก็สงบ ากาเราก็ไม่ไปประทุษร้ายใครวาจาเราก็ไม่กล่าวคําพุท ธ, ธิรอะไรใจเราก็สงบอยู่กับบทพระสูตรแหละมันก็เป็นการภาวนาอยู่ในตัวนะเป็นทั้งศีลเป็นทั้งภาวนาเป็นทั้งการ<อ>เป็นทั้งศีลเป็นทั้งภาวนาทั้งภาวนาที่ทําไปครับผมอครับผมขอบคุณท่านโปรใจครับสายที่สิบเอ็ดมารออยู่นะครับสวัสดีครับเฟนรายการครับส ว, สวัสดีครับเฟนรายการครับครับผมเชษฐ์สุทธาได้เลยครับ อยากให้ช่วยถามท่านเด็นคือไว่าสมลบคนผู้เดดังนิดนึงนะครับค่อยมากเลยครับอยากทราบว่าคือการเทศศาสตรจกศนะแต่ว่านิยมใช้ในงานราชการาชการสบแต่ว่าใช้ในงานพ่อแม่ธรรมดาที่ไม่ใช่งานราชกาสอบอการการเทศอะไรนะครับจาตร์กศศกส์ครับผมครับผมแล้วฟังทางวิทยุนะครับ ไอ้ข้อค่ะคว่าชีนั่งเสมอพระนั่นค่ะแต่ว่าแบบแบบนั่งอ๋อหมายถึงว่าแม่ชีจะนั่งเสมอพระควรหรือไม่ควรใช่ไหมครับครับผมขอบคุณแม่นะครับครับผมขอโทษมาจากปฏิบัติครับใต่ก็เนี่ยมันที่จริงเขาก็สวดในก็ที่จริงมันก็บทสวดมันก็อยู่ที่สวดอนะฮะแต่ถาถระเทศเนี่ยมันมันก็สนมากจากจะเป็นพิธีที่เกี่ยวกับงานพระราชทานครับ แต่ถ้าสวดเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกครับแต่เราไม่เรียกอย่างนั้นด้วยนะแต่เราก็เรียกของเราครับบส<ม>ี่จะต้องนั่งบนอะไรล่ะถ้าอาสนะพื้นเดียวกันไม่ได้ถ้านั่งเพราะเพียบบนอาสนะเดียวกันไม่ได้แต่ว่าถ้านั่งบนเก้าอี้เนี่ยที่ยิงโยมหรือพระมันก็นั่งได้นะฮะครับีเพียงแต่ว่าความรู้สึกของเราถ้าก็โยมตอวนั่งข้างล่างมันไม่ใช่อะ่ะขึ้นตังคนต่างมีเก้าอี้ตัวเอง แต่ถ้านั่งพืชสมมติว่าเสือผือนึ่งแล้วก็ไม่ชี้ไปนั่งเสมอกระล่าอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> อ่ามันท่าต้องอบดัดครับครับ้องอบำบัดไม่ชี้ก็ชื่อว่าขาดความเคารพต่อพระครับ <c oughs> เพราะว่าไม่ฉีดเป็นอุบาสิกานะฮะไม่ฉีดเป็นอุบาสิการครับผมผ่อนฟิกษุซูียนังไม่ได้ผรอนขอบคุณท่ณานทีใจครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสาหนึ่งครับขอญาตนะครับแรายการหลายท่านบอกว่าให้ผมช่วยทบทวนที่อยู่ทางรายการหน่อยนะครับจดหมายสอบถามปัญหาท ร, รมาเข้ามาได้นะครับที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรปทุม61็ด พหลโยทินจัดจัดกรุงเทพ10900นะครับขณะนี้เรามีซีดีธรรมะแจ ก, กนะครับเป็นซีดีบทสวดนะครับซึ่งเป็นเฉพาะคัดเลือกเฉพาะบทสวดอย่างเดียวเลยนะครับเป็นบทสวดมหาราชปริศนะครับก็เป็นซีดีที่แฟน ร, รายการขอมามากเลยนะครับรายการหนึ่งที่เราแจ ก, กอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเทปธรรมะชุด คำสิบสนะครับโดยท่านกิติบุโธนะครับซึ่งเป็นเทธธรรมะที่แจกในงานนะครับพระราานผงศ์ของคุณแม่ท่านคนเอกเสด็ผู้กมารนะครับและท่านได้กรุณานะครับนำมาอัดเทปแล้วก็แจกให้แฟนรายการทุกท่านนะครับก็เชิญเลยนะครับสำหรับซีดีธรรมะแล้วก็เทธธรรมะอยากได้จดหมายก็ได้นะครับหรือโทรศัพท์มาได้นะครับที่ศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งะครับแล้วก็ต่อสองสองหนึ่งเจดะครับเชิญเลยนะครับ มื่อคิดแฟรายการนะครับถามมาว่าท่านเจากก้าคุณอาจารย์จะบรรยายธรรมะเนื่องในวันอาสาแหบูชาที่ท้องสนามหลวงช่วงใดบ้างจะได้ตามไปฟังนะครับเป็นแฟรายการที่อยากสนใจธรรมะจากเ จ, ากจากก้าคุณอาจารย์มากเลยครับเอ่อวันที่แปดเวลาบ่ายบงไปวันที่แปดเป็นการอภิปรายครับผมปรายรู้สุวิทยากรจะมีอยู่สามหรือสี่ท่านครั บ, รบก็เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพลังของแผ่นดินครับครับวันที่แปดบ่ายโมนะครับติดตามได้นะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับท่านที่วิจารณ์จะไปเป็นอ่อ่ไปดําอ่ไปเป็นผู้นะครับรวบวมอภิปรายนะครับครับที่ท้องสนามหลวงนะครับก็เชิญแฟรายการนะครับท่านที่วิจารณ์ครับเขาคําถามสุดท้ายนะครับอยากจะทราบว่าแฟนรายการว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะครับในวันอาสาฬหบูชาและก็จะเข้าบรรษาแล้วเนี่ยครับ ในฐานะที่มุ่งส่วนเชนนะครับอยากได้รับบุญได้รับกุศลมากๆเลยนะครับเพื่อเข้าพรรษานี้นช่วงอาสาฬหบูชานี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับท่านผู้ใหญ่คือคือการเข้าพรรษานี่มันกตามการตั้งใจที่จะงดเว้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรต่างๆครับของพระก็ว่ากันไปอธิษฐานอยู่เฉพาะในที่อยู่ตลอดสามเดือนนั่นก็มีอะไรแต่ละเยอะนะโดยเฉพาะนี่คือการขอขอมาละโทษ นำมว่าอะไรที่ร่วงเกินกันอย่างที่พวกที่ทะเลาะกันอยู่ตำแห น, น่งซื้อพิมเนี่ยเขาหยุดถวายในหลวงสิบกว่าวันแล้วก็ทะเลาะ ก, กันอย่างอีกเนี่ยคือคือคือคือปรานาเลิกแล้วต่อกันทันทีเถอะมันมันสร้างความกระทบกระเทือนแก่ชาติบ้านเมืองหรือเกิน ค, คนลงทุนก็ย้ายสถานที่ลงทุนกันแล้วดูกันม้างเป็นแก่ชาติบ้านเมืองบ้างก็มาหยุดขอก็มาละโทษกรรันททักษีแล้วก็มานับเงิงกันใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตั้งใจที่จะงดเว้นอะไรสักอย่าง นะหลายอย่างยิ่งดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกอบายมุกเนี่ยทำยังไงจะงดเว้นหรือว่ารักษาศีลให้ได้อาจะไม่ครบห้าข้อแต่เ่าสองสามข้อหนึ่งอะไรต่วอะไรเนี่ยคือพยาพยามทำอ่ะพยายามทําสรุปว่าก็มีสองอย่างคือถ้าเราผิดเราก็ขอขมาละโทษกันครับเพื่อจะหา าการอยู่ร่วมกันโดยความเป็นมิตรต่อไปในอย่างหนึ่งก็คืออะไรที่ไม่ดีเราควรจะงดเว้นหรือว่าความดีอะไรที่เราควรจะทําก็ให้ตั้งใจทําแล้วก็ควรจะต่อเนื่องนะฮะการงดเว้นดื่มเหล้าในสามเดือนในพรรษาเนี่ยมาว่าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าคุณนับเดือนอย่างนั้นคุณออกนอกพรรษาดีกว่าเก้าเดือนคือเอาทำไ ม, มาสมเดือน<ช>คือการงดเว้นได้สมเดือนงดเว้ได้ตลอดเลยเหล้าเป็นน้ําธรรมดาไปกลัวอะไรมันน เกิเป็นคนไม่กลัวสิ่งไม่มีชีวิตมก็เกินเหตุเกินผลไปกลัวยาบ้ากลัวเหล้ากลัวบุหรี่กลัวอะไรมัน่ะมันทําอะไรคใครหรอะจับโยนทิ้งเมื่อไรก็ได้เ <laughs> นี่ยมันไปนั่งเฝ้าวกวดเหล้ากันนะอ็นดูคนตั้งวงเสียงคนไปนั่งเฝ้าข ว, วดเหล้าไม่หายไปไหนหรอกยุคมันหรอก ครับทีนี้เอายอมจำนวนในเรื่องที่ไม่ควรจำนวนเอามาอย่างนึกดูบอลนี่ไม่คนแปลกมันดูได้ยังไงแล้วอย่างนึกไปออกอ่ะอามาอาจจะเป็นคนแก่ไปหน่อยนะครับครับคือมาดูไม่เป็นอ่ะครับจะมามาดูทําอะไรเราคนก็เตะลูกหนังเล่นเขาก็เขาก็ได้สตางค์เราก็ถ่างเวลา เสียข้าวไฟเสียเวลาไปเยอะแยะคนไหนครับก็บคุ้นเรยเหมือนกันครับผมวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีตุษขอกราบราท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านก่อนนะครับขอความเจริญในธรรมมีแด่ท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านครับขอกราบสวัสดีครับ